ที่ว่าประวัติหลวงปู่ลาเขมปัตโตม่วนที่ 4 กล่าวต่อเรื่องการไปถึงบ้าน 30 คนเพราะเป็น ถ้าหลงมาจึงเห็นตุ่มคือกรุงนุกตะถาขันแก๊กๆอยู่ 20 กว่าเส้นเท่านั้น ส่วนการจับไข้นั้นก็เว้น 2 วัน 3 วันก็เป็นไข้แต่ฉันก็พอฉันได้แต่ไม่หายปวดหัววัน วัดโพธิสมภรอุดรธานีมีอุบัตจาท่านอยู่กับเด็กชายลูกหลานกันท่านมาพักท่านบอกไว้ว่าบ้านของท่านเฉยๆๆ ไม่ถือตนไม่ถืออะไรเลยแต่ท่านกําลังดําลิว่ามีเวรไม่มีภัยด้าน ร้องสลับกันตามทางชายเขามาตรงบ้านเผาประมาณ 5:00 เสเสเส 20 เส้นแต่ ค่อยๆเขาเล่าว่าไปทุกทีตอนเช้าเขาตามมาเอาข้าวเศษเหลือฉันเขาเล่าว่าชาวบ้าน อาตมาจะอธิบายให้ฟังคือขณะนี้เป็นเดือนฤดูหนาวอยู่และปีนี้ก็หนาวจัดมากกว่าทุกปีน้ําเถือกจะแข็งถ้าปีเสือก็เพลินโบราณอีสานปี และโบราณกล่าวย้ำว่าเสือล้องเพลินฝนจะดีในปีหน้าและปีที่หนึ่งก็ท่าหนึ่งให้จนได้แต่เมื่อ ภาษาสัตว์ปากมีมันก็ล่องไปเท่านั้นเสือตัว เป็นแม่ทําให้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเสือตัวหลงเป็น จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดสังคปโววาจากัมมันโตอาชีโววาจามอสติสมาธิมาอยู่ในวงแขนเองไม่ต้องสงสัยสงสัยไปทางอื่นก็ได้เพราะเป็นโทรศัพท์สายเดียวกันก็ว่าเป็นนายกของมรรคของผลก็ได้ไม่ผิดเพราะมรรคกับผลเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวแล้วคล้ายหนังกับเนื้อและให้ผลไม่เลือกการไม่เลือกเวลาสติปัญญาจะรู้เท่าหรือไม่ก็ตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้น ความจริงไม่หนีจากความจริงทั้งเหตุและผลเหตุพืชผลกิริยาผลของ ก็ไม่เป็นปัญหาเป็นวิสัยของปราชญ์ผู้จะรู้ได้โดยเฉพาะตาฉะนั้นธรรมแท้ธรรมละเอียดจึง แม้พระบรมศาสดาก็ยอมเคารพธรรมไม่ตีตนเสมอธรรมเป็นแต่ใช้คําว่ารู้ธรรมเรียงธรรมจําแนกธรรมถ้าธรรมไม่มีอยู่ก่อนเป็นข้อควรคิดมิฉะนั้นจะ ความถือตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานได้กรรมก็จะหัวเลาะและเยอะอย่างสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องน้อมเข้า หันมาเล่าเรื่องภักดิเวกอยู่ในที่ใดใดอันไม่ใช่สำนักบริบุรุษในเครื่องใช้สอยก็ต้องเอาความพอใจออกหน้าเป็นต้นว่าการ หม้อหนึ่งก็ได้สังคาติผืนหนึ่งเท่านั้นและต้องต้มหลายๆครั้งด้วยจึงล้าง อมน้ำเข้าไปแล้วก็เอานิ้วมือเข้าสีฟันแล้วก็เสร็จกัน ค่าชีวิตพระป่าบาทนั่นแหละชีวิตๆไม่มีมายาสาไถไปทางอบายมุขผู้มี จึงพอหายใจได้บ้างถึงอย่างนั้นก็ยังจะกลายเป็นหลุม จำโผนไปเอนไปน้อมไปในสติสมาธิเชือกที่ผูกมัดรัดก็ อนิโรธสัจจะไม่ใช่ของปุถุชนอันยังหนาแน่นด้วยกิเลส เป็นบุญต่อสองครั้งบุญต่อ 2 ครั้งคือให้เอาไปถวายพระไฟ 3 ตับเท่านั้นในที่นี้มิได้หวัง ก็เพราะพวกเราเป็นบ้านป่าจําเป็นต้องตามส่งเพราะมูลค่าปัจจัยนี้เราเป็นบ้านป่าคมนาคม แล้วก็พักมีเวรอยู่ที่นั้นต่อไปเวลาของวันและชีวาก็ ก็อยู่พอคุ้มค่าล้านพรรคกระต๊อบของพวกญาติโยม วินธบาตหมกพอใส่บาทเรียบร้อยไม่ต้องตามมาส่งๆจึงตามมาเป็นบางครั้งการฉันข้อฉัน ไปปฏิบัติธรรมแท้หรือเพื่อแสวงหาอามิตตผลการไป เป็นแบบฉบับกลายเป็น 10 ไม่มีครูอีกแปลว่าไม่เรียนตาม ว่าศาสนาใดๆทั้งในโลกนี้ๆจะทันเทียมถึงได้ถูกปฏิบัตินับถือพระพุทธศาสนาได้ ยังลงที่ใจแต่ล่างหัวใจอันลึกซึ้งลง โลกบัญญัติมาวัดมาตวงพาศูนย์ขอบศูนย์ต่างได้พบ แต่ไม่เล่าให้เขาฟังเพราะเกรงว่าเขาจะเป็น คือพระอาจารย์ปั้นวัดป่าทานนาเวงท่านกําลังเดินทางมากับเอาแต่ใจความท่านจึงกล่าวว่าเออวัน ทางไข่ไม่สั่งเห็นใจมากจงไปพักวัดทานาเวงก่อนนะเดี๋ยวนี้วัดไม่มี คนหนึ่งสะพายบาดคนหนึ่งแบกปดพร้อมทั้งถือเอากาน้ํากราบลาท่านกับพื้นดินแล้วก็ผินหลังใส่กันต่างพวกก็ต่างไปคือองค์ ภาวนาจะเหยียบอะไรเสียงบุญเสียงกรรมแล้วภาวนาเมตตาเดินเกือบ 3:00 น. ตำรวจส่งขึ้นกุฏิแล้วเขาก็ไปพัก กวาดลานวัด้อมกุฏิก็พอดีถึงเวลาภิกขาจารย์กับจากบินทบาทโยมเม 11 เม็ด 10 โทอัมพรสั่งมาว่าให้ฉันครั้งละรับ 8-9 ความตั้งใจของหมอถ้าฉมยานั้นหมดไม่หายขาดเขา คือองค์ท่านเทศน์หนักแน่นว่าใครไปวิเวกในป่ามาถามภาวนาไม่ได้ อาตมาภักดิ์วิเวกเล่นอยู่ตามวัดเฉยๆก็ ค่ำได้วันใหม่ฉันเสร็จก็ออกเดินทางถึงบ้านโกคค่ำพอดี ไม่มีน้ำล้างหน้าแล้วพ้วนปากเลยเอามือถูตาแล้วเข้าไปบิณฑบาตบ้านดูฉันเสร็จ หลวงตามิ่งไปอยู่ถ้ำพระเวทก่อนแล้ว 40 เส้นตกลงจำเป็นก็ต้องพักค่ำมะเขือแล้ว ว่าแล้วพระอาจารย์ศรก็กลับถ้ําท่านโยมก็กลับบ้านโยมคงราว 2000 น. จึง ตั้งแต่กระะกู่สันโทมาจนบัตรนี้คงไม่มีพระเนินองคใดไปเป็นผีบ้าภาวนาอยู่ที่นั้นนึกขึ้นมาแล้วก็น่าขําขําหมดผลทางก็เอาผ้าอาบนาําปู่วันนั้นไม่ได้สงนามอีกซ้ําปูกับพื้นบินเียงเอียงนอนผินหัวไปทางทิศใต้เอาหอผ้าสังคาติมนุนบาทตั้งไม่ได้ต้องภูกมัติดกับต้นไม้กฎ เวลานอนเอาปรากฏว่านอนไม่หลับเลยขวางับไว้กับกําหนดลมหายใจ อดีตอนาคตเป็นเมืองขึ้นของปัจจุบันบุคคลไม่เห็นอนาคตให้เสมอภาคด้วยตนเองชัดแล้วฉะนั้นความเพลินใน นิโรธธรรมอันดับตัณหาดับทุกข์ทาง ถ diy รายเป็นประโยชน์ก็จะได้ fünf Leg så 164 nogleว2018 ต้องคุนอนาท presqueกรับ ม limited และสอบสิุขท debugจุบและ研究mee has to use as the plugin ในคุนโอเคชียงนี้ Pacific ZenотрAS WHO compare แสงบ acompañ Länder лег ถ Nike Derik รายเป็นประโยชน์เจน hai American material model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model model ในปัจจุบันพันด่วนให้ชัดแจ้งแม้จะมีนิสัยวาสนาเป็นสุขวิปัสสโกก็ ปัจจุบันไม่ว่าจะไปในทางดีตัดสินพร้อมทั้งพยายามเพิ่มเข้าอีกอดีตอนาคตย่อมเป็นเมืองขึ้น น้ำค้างบนบายบั่νε แต่ไม่ติดบายบั่νε ถึงน้ำจะตกร์ออกจากบายบั่νε มะน้ำก็หาได้เป็นกลังบนในบายบัלא บายบัก disgrетровก็ไม่ได้ยืนยันว่าหนักมาก เพราะน้ำมาค้างเราและก็ไม่ยืนยันว่าเบาแล้วเพราะน้ำตกร์ออกไปจากเรารักฤักษาไม่ใช่เป็นการเป็นยัน необศึกงปี กับปัจจุบันโยงกันเข้าลงรอยอดีตอนาคตก็ต้องรู้ วนมาปาลบติดต่อการเดินทางต่อไปเช้า ตาใสแจ๋วนอนไม่หลับนอนกำหนดลมมีสติอยู่กับลมออก องค์ท่านว่าจะไปถ้ําผาแดงแต่เดี๋ยวนี้ท่านคงกลับวัดป่าท่านนาเวงแล้วก็อาจเป็นได้ จากตัวเมืองไปถึงถ้ำก็อยู่ในระหว่างอย่างมากก็ 400 เส้น พอลงมาถึงใกล้วัดป่าบ้านนาศกก็เลยไม่เข้า ไปพบพระเดชจับจักรจันทร์ถามเขาว่าไปทางนั้นถูกไหมหนูเขายกมือโชว์ชี้บอกขอหลวงพ่ออย่าได้ปลีกออก บ่าย 3:00 น. ถึงวัดป่าบ้านเต่างอยลาจาก ก็ไม่เป็นธรรมอีกเราก็เส้นเอออาตมาก็จะขึ้นไปหาองค์ท่านว่าแล้ว เข้าไปกราบองค์ท่านองค์ท่านทักทายว่ามาจากไหนเรียนท่านว่ามาจากถ้ํามะเขือนึกว่า พากันจับวัดหมดแล้วถ้าหากว่าท่านอยากอยู่กับผมผม ก็ไปบินทบาตกับองค์ท่านมีโยมผู้ชายคนหนึ่งมารับ ท่านหากว่ากระผมไปอยู่ถ้ำผาแดน องค์ท่านได้ทอดสายตาลงต่ำอยู่สักครู่แล้วก็กล่าวว่าเอาให้ดีนะยกธงแดง เพราะเป็นทางไม่เตียนโยมจะสะพายเอาบาตรแต่ไม่ บรรดานมีผึ้งฝูงหนึ่งบินกรุเข้ามาตอมรอบตัวเป็นกลุ่มๆตั้งพันๆตัวบินวนเวียน พอนึกอย่างนี้จบลงพึ่งทั้งฝูงๆก็บินขึ้น ไม่มาเอาเวรเอาภัยกับท่านผู้ใดก็อาจๆน้อยๆ เวลาก็ค่ํามืดพอดีมีกระท่อมเล็กๆอยู่ในถ้ําเงื้อมหน้าผาปูด้วยไม้ๆเอาใบขาปูรองและกั้นด้วยใบขาปางพอหลวม ไฟก็แล้วแต่เดือนดาวและพระอาทิตย์จะอำนวยเห็นหรือไม่เห็น ต้องพอแล้วแต่ละครั้งล้างแล้วพยุงตัวไว้ให้น้ำหนัก การรักษาทางไม่ให้สกปรกก็มีพระวินัยกวดขันอยู่ขณะ 1 กิโลเมตรแล้วเอียงลงชายเขาเป็นดง และบอกโยมเขาให้ดูเพื่อให้เขาไม่ต้องคอยในวันที่ตน ทางก็ยืนเฝ้ากันอยู่ประมาณ 10 นาทีครูยังไงก็ไม่หนี ที่ไปทอดแหนอยู่กลางทุ่งก็เกือบตายแต่เดชะบุญขึ้น เขาพากันบ่นคือกระทึกแต่เทวดามานพรหมมนุษย์ทางบันไดเทวดามารมนุษย์ พระองค์ผู้รู้ธรรมจึงสามารถยืนๆการเห็นโทษ ถ้ากิเลสไม่มีอยู่ในสัพพตัยโลกธาตุแล้วพระนิพพานก็ไม่มีใน ถ้าเทียบไซโคและกระบือก็ไม่ต้องต้อนเข้าคอกยากเวลาเข้ามันเข้า อุปปติวิเวกก็ดีก็รวมลงมาเป็นเอกะวิเวกก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนักเลยที่บัญญัติไว้ก็เพราะเป็นแผนที่แต่ตัวเนื้อที่จริงๆแล้วหดตัวเข้ามาเองหาเอกะปัจจุบันวิเวกลงมารวมกันเองไม่ได้ต้อนมาฮือๆฮ่าๆเหมือนโคและกระบือ ปลุกกันได้ให้กันเป็นนิฌนันแล้วก็จะตรงกันข้ามไปละพระลมไฟน้ําภายนอกผู้มีสติปัญญาอยู่ ก็เห็นอยู่ที่ใจที่ทําที่ทําที่ใจทวนไปทวนมาอยู่อย่างนี้พักทํา อย่าแก้ใครแค่หนาวและแก้พิศัทกัดต่อยและก็ไม่สนใจจะหาอีกด้วยแม้ไม่ขีดไฟเทียงไขก็ขาดมานานแล้วเมื่อทูกงูกัดเกี่ยวกับพิศสดๆก็นึกเห็นแต่มูดภัฒวะคูดหุดจาระและดินเท่านั้นส่วนที่เท่าก็ไม่นึกหวังจะได้ มุดขุดหายก็หายไม่หายก็ยอมภาวนาตายองค์เดียวปนกันแล้วหายก็หายไม่หาย ความพอใจนี้ย่อมๆในโลกทั้งสิ้นจิตใจ มีแต่ตั้งใจเดินทางลุดหน้าในมักภาวนาเท่านั้นเองละและในยุคที่พักอยู่นั้นวันขึ้นก็ดีแลมก็ดี jeb kham 8 kham 14 15 kham เขาขึ้นไปนอนลักษาสีนท่าหนึ่งอีกตังหาก 6 เส้นมีคนจำนวนประมาณ 6 7 คนเขาไปทำเข้าหลามไม้ปล่อกส่ายบาทวันเช่นนั้นบินทบาทลานหญิน ไกลจากที่พักๆเข้าหลามเฉยๆไม่มีกับก็คืนสบายเคี้ยวสบายมัน ความอิ่มกายอิ่มใจในธรรมะชนะความอิ่มกายอิ่มใจในอามิตต์ อยากรู้แท้จริงเพียงไรผู้เขียนผู้อ่านผู้ฟัง ก็ไม่หนักใจในปัญหากล่าวต่อในเรื่องโยมที่ขึ้น และก็มีงูใหญ่ลอยกว้างสองคืบไปไปมามาก็มีงูใหญ่ลอยกว้าง 2 เออถ้าอาตมาจะกลัวจิต ก็ถ้าจริงเหล่านั้นจะมาก่อกันใหม่ แม้เมื่อภัยโลกขี้ภัยหลงและความลังเลก็เหมือนกันเมื่อไผ่หลงปลูกฝังไว้ใน ธรรมถึงก็ไม่มีพิษสงค์อันใด บัญญัติขึ้นตามอัตโนมัติของกิเลสตนเป็นโลกาธิปไตยแล่นไปๆหรืออะไรต่ออะไรอีกอยู่ ขาก็ไปเจอหมูก็ไปหมูนั่นสูงประมาณหนึ่งเมตรหมูยืนผินหน้าตรงห่างกัน 2 เมตรเม 5 วินาทีได้บรรดาพิจารณา พอนึกอย่างนี้จบลงมันก็วกขึ้นแล้ว สมราธĩ พวนาแบบนี้สมดุญด้วยสติสัมภาชั์ยะและปัญญาไม่ใช่หัวต่อชานางแปลว่ะเพ่งอยู่ สมราธĩ สติแปลว่าร ago r grayed ปัญญาแปลว่ารอบรู้ในการเพ่งอยู่สมดุญเป็นขณะเดียวกันไม่ใช่คนลักขณะดอบ ขณะเพราะส่งออกนอกมากสติสัมปชัญญะไม่อยู่กับตัวพล้นส่งออกนอกมากๆก็ได้ โรคประสาทและโรคหัวใจมีในขันธวิบัติของพระอรหันต์ อนุตตลราศีอปลายีติหายตื่นหายสะดุ้งหายผลพองสะยองเกล้านั้นจริงหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นคําจริงแล้วผู้ที่เขามิได้เป็น ละเอียดเข้าละเอียดเข้าเข้าละเอียดไม่มีข้างหน้าข้างหลังรู้ชัดขึ้นว่าผู้ที่ท่านพ้นไปแล้วก็พ้นไปไม่มี ขณะที่พิจารณาอยู่นั้นรู้พร้อมกันกับลมออกเข้าอยู่ไม่ธรรมเห็นชอบ ปรากฏว่าจะชนภูเขาให้ทะลุได้แต่ๆนานาแต่จะอย่างไรก็ตามก็เกิดเป็น ตะกอนอันลึกละเอียดเมื่อน้ําแห้งงวดลงจึงสามารถ ก็มาอยู่นี่เดือนหนึ่งแล้วมาอยู่นี้เดือน 1 แล้วนานไปก็เวลาจนแจ๋แล้วจะได้ ครั้นถึงเวลาเจ้าก็ลงไปเพราะบริขารไม่มาก จัดจัดแจงแต่งของใส่หน้าเขาให้ศีลให้ปรเขาจัดแจงแต่งของใส่หน้าเขาเขาก็สงวนดูอธิบายให้เขา หาเอาพระเล็กพระน้อยในถ้ำและซับในดินศิณใน 7-8 เส้นก็ให้เขากลับ วางบริขันไว้ศาลาแล้วขึ้นไปกราบองค์ท่านท่านถามไถ่ได้ความแล้วกล่าวเออดีล่ะเฝ้าวัดให้ผมบ้างผมจะไปหล่อพระบ้านคอ ถ้ากับผมเฝ้าวัดอยู่นี้ถ้าพระเออปัญญาดีมาก ในเวลาพักอยู่วัดป่าสุทธาวาสนั้นสักผ้าเสร็จในวัน ครุคู่ยกหง่วงนอบน้อมอ่อนยนไม่ แต่กันเป็น 2 ฝ่ายทางละ 500 สอนให้ เข้าป่าลักขิตตะวันจำพรรษาอยู่ผู้เดียวญาติโยมเขา มิได้หนีไปด้วยความหมดประตูจะระงับอติกรณ์เลยโอ้พระองค์อุบายทรมานสัตว์โลกนี้มีมากมายสมภูมิกระแแคอุบายแบบบรรจงอุบายแบบข่มขี่อุบายแบบวางเฉยอุบายแบบยกย่องอุบายต่อล้อต่อเถียงอุบายแสดงยมกะอุบายดับใจทายใจอุบายไล่หนีอุบายปลอบโยนอุบายหนีด้วยฝีเท้าพระองค์เองคือเรื่องปาลีไลย์ที่เรานั่งพิจารณาอยู่เดี๋ยวนี้ เมื่อนั่งพิจารณาอยู่ประมาณ 15 นาทีแต่ระวังเกรงท่านอาจารย์มหาไพบูลย์จะเห็นนี่มันเป็นอย่างนี้นิสัย